เวลาจะหลับจะนอนก็กลับพระพุทธโบสโคแล้วค่หลับนอนนี่คือลูกชาวพูดเขาใชโลบเตงดอนเลยดอนเลยเอากลาบพระสะก่อนแล้วจะภาวนายิ่งดีแล้วภาวนาใครไม่คุ้นค่าของภาวนาเพราะไม่เคยภาวนา พระพุทธเจ้าท่านภาวนาเป็นจาสนาเอกของโลกพระสงฆ์สาวกท่านาที่เป็นสาราคชาวิตพวกเราท่านภาวนาเป็นสาระอันเอกของโลก